การที่จะทำให้การปฏิบัติเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาได้นี้อยู่ที่การพัฒนาอินีย์5ให้เป็นพละอินีย์5คืออะไรก็คือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความภาคเพีย 3. สติความระลึกรู้สสมาธิความตั้งมัน่นและ5ปัญญาความฉลาดอิ็นสียห้นี้มีอยู่ในผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นปฏิบัติ คือในบุตุชนยังไม่ได้เป็นพละฮาถ้าเป็นพระฮานี่ก็จะเข้าสู่ระดับของพระอริยะบุคคลการปฏิบัติจึงต้องเน้นในการเจริญอินสี์ทั้งห้านี้ ให้เป็นภละห้าขึ้นมาเอนซีนี้กับภะละนี้เปรียบเหมือนกับร่างกายเอนซีนี้เป็นเหมือนร่างกายของเด็กที่ยังไม่มีกำลังวางชาเหมือนกับร่างกายของผู้ใหญ่เด็กจะทำอะไร ให้ได้ผลเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่นี่ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ก็มาจากเด็กๆนี้เองก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้ก็ต้องเป็นเด็กมาก่อนแต่เนื่องจากได้รับการพัฒนาจากเด็กให้เ ต, ต, กตกิบโตโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ตามลำดับ พอเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วก็สามารถทำอะไรต่างๆให้ได้ผลให้ได้รับความสำเร็จนุรน่่งไปได้อย่างดีใจของพวกเราก็เหมือนกันใจของนักปฏิบัติในตอนเริ่มต้นก็มีเพียงห4 5 คือศรัทธาที่ยังไม่แน่วแน่มีความเพียรที่ยังไม่แก่กล้ามีสติที่ยังไม่ต่อเนื่องมีสมาธิที่ยังไม่ตั้งมัน่นมีปัญญาที่ยังไม่ครอบครอบไม่กว้างขวางยังมองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปตามความเป็นจริงจึงจำเป็นที่จะต้องมาพัฒนาศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญานี้ให้เป็นศรัท ธ, ธาที่ที่ไม่หวั่นไหวที่ที่แน่วแน่มั่นคงความเพียรที่แก่กล้า มีสติการละลึกรู้อยู่อย่างต่อเนื่องมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบตลอดเวลามีปัญญาที่คอยพิจารณาดูสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนากัน การที่จะทำให้ศรัท ธ, ธาที่เป็นอินทรีย์นี้เป็นศรัท ธ, ธาที่เป็นพระหรือพลังจาเป็นที่จะต้องศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆและศึกษา วัตของพระอริยสองสาวกอยู่เรื่อยๆถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆเราก็จะไม่หลงไม่ลืมเราจะทําให้เรามีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทําให้เรามีความมั่นใจต่อการปฏิบัติเพราะเราจะมีความมั่นใจว่าถ้าเราปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสง์สาวกได้ปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสง ส, สาวกุกนี่คือการสร้างศรัทธาขึ้นมาให้เป็นศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงไม่สั่นคลอน ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเวลาที่เรามีความท้อแท้เบื่อหน่ายเราก็อาจจะหมดศรัทธาไปก็ได้หรือเราไปเห็นอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็อาจจะทำให้เราเสื่อมศรัทธาไปก็ได้ แต่สิ่งที่เราเห็นนี้ที่ทำให้เราเสืส่อมศรัทธานี้มันไม่ได้เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาเช่นไม่ได้เป็นพระอริยะสองสาวกถ้าเป็นพระอริยะสงสาวกแล้วเราจะไม่มีวันที่จะเสืส่อมศรัทธากับท่านไปเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัติของท่านนี้ จะเป็นที่ยอมรับเป็นการปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสศรัท ธ, ธาถ้าเราไปหลงไปเคารพไปศรัท ธ, ธาในพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์โอกาสที่ท่านอาจจะ าพาดพั้งหรือประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสียก็ย่อมมีอยู่และเมื่อท่านไปประพฤติตนที่ไม่น่าเลื่อมสายศรัท ธ, ธาถ้าเรายึดในองค์ท่านเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็อาจจะทำให้เราเสื่อมศรัท ธ, ธาไปก็ได้ดังนั้นการที่เรายึด ด้วอมีความเลื่อมสายศรัทธาอยู่กับภาพสองรูปใดรูปหนึ่งนั้นเราต้องระมัดระวังต้องพิจารณาหรือต้องคอยเตือนเสมอว่าเราอยู่ในโลกอนิจจงคือโลกที่ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนบุคคลที่เราเข้าลบเลื่อมใสายศรัทธาอาจจะยังไม่ได้เป็นบุคคลที่ จะไม่มีวันที่จะทำให้เราต้องเสื่อมศรัท ธ, ธาลงไปบุคคลที่จะทำให้เราไม่เสื่อมศรัท ธ, ธาลงไปนี้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและได้หลุดพ้นและได้จากพวกเราไปแล้วเพระนั้นบางทีเราต้องระลึกถึงผู้ที่ เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ต่างๆที่ได้ร่วงรับไปแล้วถ้าเราไปยึดติดกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บางทีท่านอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้และเวลาที่ท่านเป็นไปมีอะไรเป็นไปกับท่าน เราก็อาจจะเกิดความเสืส่อมศรัทธาขึ้นมาแต่ถ้าเราผูกศรัท ธ, ธาของเราไว้กับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกที่ได้รับการยืนยันแล้วเช่นท่านมรณภาพไปแล้วกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุไปแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เราเสืส่อมศรัทธา เราก่อนจะศึกษาปฏิบัติอศึกษาประวัติของท่านแล้วก็เอาแนวทางของการปฏิบัติของท่านนี้มาเป็นแบบเป็นฉบับนี่คือเรื่องของการสร้างศรัทธาขึ้นมาการที่เราจะเกิดศรัทธาได้เราก็ต้องรู้จักบุคคลหรือสิ่งที่เรามีความศรัทธาเช่นบุคคลก็คือพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่กระดูของท่านนั้นได้กลายเป็นพระธาตุไปหมดแล้วแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วการปฏิบัติของท่านเป็นการปฏิบัติที่จะนำให้ผู้ปฏิบัติตามได้รับมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันนี่ก็คือเรื่องของการศึกษาประวัติของ พระพุทธเจ้าก็ดีเรื่องของพระอรหันตสาวก็ดีศึกษาเพื่อให้เราเอามาเป็นแบบเป็นฉบับเอามาเป็นตัวอยา่างแล้วก็ศึกษาคําสอนของท่านท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรท่านก็สอนให้เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เรามีความเพียพรพยายามที่จะปฏิบัติไม่ ไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อนไม่หยุดไม่ยอมแพ้ท่านสอนให้เรามันเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับท่านสอนให้เรานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่ในอุเบคา แล้วพอถอนออกมาจากสมาธิท่านก็สอนให้เราพิจารณาทางปัญญาให้พิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างในสภาวะธรรมทั้ ง, งปวงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลล้วนเป็นอนิจจงทั้งนั้น คือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมเป็นอนัตตาก็คือไม่ได้เป็นของใครเป็นของธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ หรือสั่งไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้ถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะต้องเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจเพราะจะไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองนี่คือเรื่องของการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศรัทธาให้มีอยู่ในจิตใจอยู่ได้เอ ย, เ, อยเพราะถ้าเมื่อเสริมศรัทธาเมื่อไหร่แล้ว มันก็จะไม่มีความกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติจะไม่มีความเพียรแต่ถ้าเรายังมีศรัทธาอยู่ศรัทธานี้จะผลักดันให้เรามีความภาคเพียรภาคเพียรที่จะปฏิบัติอยู่อย่างสม่าเสมอจะทำให้เราอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามลําดับ และเมื่อเราปฏิบัติได้มากขึ้นไปผลก็จะปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปตามลําดับมเมื่อผลปรากฏมากขึ้นมาเท่าไหร่ศรัท ธ, ธาความเชื่อก็ยิ่งจะมีมากขึ้นไปตามลําดับนะเมื่อศรัท ธ, ธามีความ ม, มีความเจริญเติบโตวิริยะคือความภาคเพียงก็จะมีการเจริญเติบโต ต, ต, ตามขึ้นมา มีศรัทธาแรงก็จะทําให้ปฏิบัติได้มากมีศรัทธาน้อยก็จะปฏิบัติได้น้อยดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้การปฏิบัติของเรานั้นได้ผลมากเราก็ต้องหมั่นเจริญศรัทธาอยู่เรื่อยๆการเจริญศรัทธาก็เป็นสอสองลักษณะขั้นแรกก็คือการศึกษา ตัวอย่างที่ดีที่งามของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาหารหันตสาวกศึกษาคำสั่งคำสอนของท่านแล้วนำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติได้ผลมันก็จะทำให้เกิดมีศรัทธากำลังใจมากขึ้นใหม่ต้องมีทั้งสองแบบถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเราก็ต้องอาศัยการศึกษาการดูแบบฉบับ การกระทำการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านทำตัวอย่างไรท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันตสาวกท่านก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปทั้งหมดนี่เรียกว่าทาน การทำทานนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผู้ที่มุ่ ง, อองสู่มรรคผลผนิพพานเพราะว่าถ้ายังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองอยู่ก็จะเป็นเหมือนกับเรือที่ยังทอดสมอเรืออยู่ถ้าเรือทอดสมอ อ, อยู่นี้เรือจะไม่สามารถออกเดินทางไปได้เพราะสมอจะจะดึงเรือเอาไว้ ถ้าอยากจะให้เรือแล่นไปได้ก็ต้องถอนสมอเรือออกมาการที่จะออกไปสู่การปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานได้ก็จำเป็นจะต้องสละทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีอยู่ไปให้หมดลืมไม่ไปมีความเกี่ยวข้องไม่มีภาระผูกพันเพราะถ้ามีภาระผูกพันมันก็จะ เหมือนกับเรือที่ยังไม่ได้ทอดสมอต่อให้ติดเครื่องหรือเอาขึ้นใบต่อให้พายมันก็จะไปไม่ได้เพราะจะถูกสมอนี้คอยดึงเอาไว้การที่เราจะปฏิบัติจเจริญความเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิจเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องนี้เราต้องไม่มีภารกิจ อย่างอื่นต้องมีภารกิจในการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเรายังมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องสละพระราชสมบัติไป พระสาวกทั้งหลายท่านก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปอย่างในสมัยปัจจุบันในประวัติของครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ม่านรูปหนึ่งคือท่านชื่อว่าหลวงปูป่พรมท่านก็ก่อนที่ท่านจะออกปฏิบัติท่านกับท่านกับภรรยาก็มีทรัพย์สมบัติ เป็นชาวนาวชาวไร่ที่มีฐานะดีมีที่มีนามากามีโคมีกระบือมีสมบัติอะไรต่างๆแต่ท่านไม่มีลูกไม่มีหลานนะท่านมิะท่านและภาะญยามีศรัทธาที่อยากจะออกไปปฏิบัติไปบวชเพื่อมรักผลได้ผ่าน ท่านถึงประกาศให้ชาวบ้านได้ทราบวา่าถ้าใครขาดหรืออะไรต้องการอะไรขอให้มารับจากท่านไปได้ใครไม่มีที่อยากจะขอที่ท่านก็ให้ที่ใครไม่มีโคไม่มีกระเบือเมื่อขอท่านก็จะให้เพราะท่านไม่ปีความต้องการในทรัพสมบัติเข้าของเหล่านี้แล้วสิ่งที่ท่านต้องการก็คือความเป็นอิสระจากภารกิจ ในการดูแลจัดการทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่ท่านมีอยู่ท่านต้องการจะมีเวลาไว้ในการเจริญสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นแล้วพอท่านสละไปหมดแล้วท่านก็ไปบวชภรรยาท่านก็ไปบวชทีแล้วก็แยกกันอยู่ท่านก็ตามหลวงปู่มั่นไปไปศึกษากับหลวงปู่มั่น ประยุทย์คำสอนของหลวงปู่มั่นประยึทธ์ปฏิปทาการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นและในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เวลาที่ท่านตายไปแล้วกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานี่คือตัวอย่างของพระสุ ป, ปฏิปันโนที่เราควรจะศึกษากันเพื่อเราจะได้รู้แนวทางของการดำเนิน เพื่อที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานว่าต้องดำเนินกันอย่างไรเมื่อเราได้ศึกษาแล้วก็จะทำให้เรามีศรัทธามีความมีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติตามก็จะทำให้เราเกิดมีวิริยะมีความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านปฏิบัติ เรามีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองมีงานมีการถ้าเราต้องการไปนิพพานเราก็ต้องสละสิ่งเหล่านี้ไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนสมอเรือจะไม่สามารถจะคอยดึงเราไว้ทําให้เรื่อนี้ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าไปได้อย่างมากก็อย่างเช่นช่วงระยะเวลาวันหยุดอย่างนี้มีวันหยุดสี่ห้าวัน แล้วก็อาจจะลา ง, ล า, ง, งานเพิ่มอีกสักวันสองวันก็จะได้ทั้งเจ็ดวันได้ทั้งสั ป, ปดาห์มาปฏิบัติกันสักครั้งหนึง่งแต่พอครบแล้วก็ต้องกลับไปทำมาเกณฑ์ต่อไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่อเพราะยังต้องใช้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆต่อไป เงินทองส่วนใหญ่เนี่ยที่เราหากันเนี่ยมันไม่ได้หาเพื่อเอามาใช้กับความจำเป็นของชีวิตเราเราเอามาใช้กับความอยากเส้อมากกว่าเอามาใช้เพื่อซื้อความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมความสุขทางตาหูจมูกเล่นไกเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ อยู่ได้เดี๋ยวเดียวแล้วก็จางหายไปเหมือนคนไฟมันเวลาเราได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะเราก็มีความสุขนัแล้วพอไม่ได้เสพความสุขนั้นก็จะจางหายไปหลงเหลืออยู่เป็นเพียงความจำเท่านั้นว่าได้เคยมีความสุขกับสถานที่นั้นสถานที่นี้น กับเครื่องดื่มชนิดนั้นเครื่องดื่มชนิดนี้อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เท่านั้นเองแล้วก็ทําให้เกิดความอยากที่จะสัมผัสอยากจะเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสผดตะพธะเหล่านั้นอีกก็จะทําให้เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดไปจะต้องคอยหาความสุขในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวลาหาความสุขก็ต้องมีค่าใช้ใจ่าย ต้องใช้เงินใช้ทองพอเงินทองหมดก็ต้องกลับไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองมาใช้ต่อก็จะติดอยู่กับการหาเงินการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขปลอมนี้ไปเรื่อยๆถ้าปรารถนาที่อยากจะได้พบกับความสุขจริงความสุขของมรรผลนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องสละการหาความสุขปลอมนี้ไป หยุดการทำงานทำการเพื่อเราเพื่อจะได้มีเวลาออกไปพัฒนาอินทรีย์ทั้งห้าให้เป็นพะละห้าขึ้นมานี่คือการดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีท่านปฏิบัติเหมือนกันหมดท่านจะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ที่ใช้ที่เป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขต่างๆถ้ายังมีอยู่ก็อดที่จะใช้มันซื้อความสุขต่างๆไม่ได้แต่ถ้าไม่มีแล้วมันก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะซื้อความสุขปลอมได้ก็จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อเข้าหาความสุขที่แท้จริงเมื่อท่านถูกบังคับด้วยการจลาทรับรสมบัติเข้าของเงินทอง ทันก็หันหลังกลับไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่จะรองรับถ้ากลับไปเงินทองที่สละไปนี้ก็หมดแล้วกลับไปก็ไม่มีแล้วจะไปหาเงินทองไปซื้อความสุขก็ไม่มีแล้วนอกจากต้องไปทำงานทำการใหม่ก็จะต้องติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินอยู่ไปเรืย่ยๆแต่ถ้าท่านหันหน้าไปสู่ความสุขของความ ของมรรคผลนิพพานท่านก็จะมุ่งไปสู่การปฏิบัติสู่การการเจริญสติสู่การเจริญสมาธิและสู่การเจริญปัญญาพอได้ปฏิบัติแล้วอินทรีย์ก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นมาจะเจริญขึ้นมาตามลําดับศรัทธาก็จะมีกําลังมากขึ้นสติ อวิริยะก็มีกำลังมากขึ้นสติสมาธิปัญญาก็จะมีกำลังมากขึ้นพอมีกำลังมากขึ้นก็เป็นเหมือนร่างกายที่จเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจากเด็กก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ไปพอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะสามารถทํางานทําการทําอะไรต่างๆที่ตอนเป็นเด็กไม่สามารถทําได้นี่ก็เช่นเดียวกัน ใจิตใจที่ยังมี nc5 อยู่นี้ก็จะไม่สามารถทําอะไรเป็นกอ่อเป็นกรรมได้แต่พอได้พัฒนา nc5 ให้เป็น para5 าาขึ้นมาก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อยู่ที่การเจริญศรัทธาเป็นขั้นที่หนึ่งทำให้เมื่อมีศรัทธาแล้ว วิริยะความอุตสาหะความผากเพียนก็จะตามมาเหมือนกับเวลาที่เราไปทำงานถ้าเราทำงานแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับเงินเดือนหรือได้รับเท่าไหร่เราอาจจะไม่ค่อยมีความอยากที่จะทำนะจะไม่ค่อยขยันทำงานกันแต่ถ้าเรารู้ว่า ถ้าเราทำงานนี้เราจะได้เงินเดือนมากมันก็จะทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเพราะเราไม่อยากจะตกงานเราไม่อยากจะเสียงานที่ได้ที่ให้เงินเดือนดีๆกับเรานั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามดูผลที่เราพึงจะได้รับจากการปฏิบัติว่าสิ่งที่เราจะได้รับก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง เป็นผลที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยได้รับมาจากการใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆผลที่เราได้รับหรือความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่ลภภนรสโผฏฐาณนี้สู้กับผลที่เราจะได้รับจากการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ความสุขที่ได้จากมรรคผลนิพพานนี้ ท่านเรียกว่าเป็นสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีมน้ำผลนิพพานก็คือความสงบในระดับต่างๆระดับพระโสดาบันก็สงบอยู่ในขั้นหนึ่งสูงกว่านั้นจะสงบมากกว่านั้นก็ต้องขึ้นสู่ขั้นพระสะกีดาคามีจะสงบมากกว่านั้นก็ต้องขึ้นสู่ขั้นพระอนาคามี จะสงบอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์ก็ต้องขึ้นสู่ขั้นของพระอาหารหันต์ขึ้นสู่ขั้นของพระนิพพานอันนี้ก็จะเกิดขึ้นตามลำดับของการปฏิบัติความเพียรมากเท่าไหร่การจเจริญสติก็จะมีการจเจริญอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้นเมื่อมีการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องการทำใจให้สงบให้ตั้งมัน ตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นแล้วเมื่อใจมีความสงบมีความตั้งมั่นในอุเบกขามากเท่าไหร่ก็จะมีกำลังที่จ ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อที่จะใช้ในการทำลายข้าศึกสัตรูของใจทำลายเหตุที่คอยสร้างความทุกข์ใจอยู่ให้หมดไปได้ การที่จะทำลายเหตุของความทุกข์คือตัณหานี้จำเป็นจะต้องมีปัญญาและสมาธิควบคู่กันไปถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาได้อย่างถาวร อ, อย่างราบคาถ้ามีเพียงสมาธิก็จะเพียงกดเอาไว้เท่านั้นเองเพียงแต่ตัดกำลัง ของกิเลสของตันหาไว้ได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะทําลายได้อย่างถาวรเหมือนกับหินทับหญ้านะเวลาเอาหินไปทับหญ้านี้ก็จะนั่งับการเจริญเติบโตของหญ้าได้แต่พอยกเอาหินออกหญ้าก็จะงอกกลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะทําลายไม่ให้หญ้านี้งอกเลย ก็ต้องถอนรากถอนโคนของรากของของหญ้าเมื่อถอนรากออกจากดินแล้วหญ้าก็จะไม่สามารถที่จะงอกงามขึ้นมาได้อีกต่อไปสิ่งที่จะถอนรากของกิเลสตัณหาได้ก็คือปัญญาสมาธิไม่สามารถที่จะถอนได้สมาธินี้เป็นเหมือนหินที่ทับหญ้าเอาไว้เท่านั้นเอง พอออกจากสมาธิมากเกเรตันหาก็จะออกมาเพ่นพ่านต่อไปได้พเพราะเกเรตันหายังไม่ตายน่าจะออกมาผ่านทางความคิดปรุงแต่งต่างๆออกมามากับการปรากฏขึ้นของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเวลาใจไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลต พ, พะสังขารความคิดปรุงแต่ง ก็จะปรุงแต่งไปตามความอยากทันทีเพราะว่า mm hmm. กิเลสตัณหาความอยากความโลภที่ถูกสมาธิกดเอาไว้นั้นไม่ได้ตายไปอย่างถาวรเพียงแต่สลบสลายเหมือนกับถูกฉีดยาสลบพอเล็ดของยาสลบหมดไป mm hmm. กิเลสตัณหาก็จะเฟื้นขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่างถาวร จะต้องใช้ปัญญาเป็นผู้ทำลายเป็นผู้ถอดถอนรากของกิเรตันหารากของกิเรตันหาคืออะไรก็คือโมหะอวิชฌานี่โมหะก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เราเป็นของเราพอเห็นว่าเป็นของเราก็เกิดความอยาก ให้อยู่กับเราไป น, นานๆพระเกิดความอยากให้อยู่แล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของไม่ใช่เป็นของเรา ถ้าเห็นตามความจริงก็จะไม่มีความอยากให้อยู่กับเราเป็นนา น, านหรืออยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความอยากของเราได้นี่คือปัญญาที่จะถอนรากของกิเลสตัณหาต่างๆคือความหลงความไม่รู้ความจริงนี้ให้ปอดไป ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรจำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีความอยากได้มาเป็นสมบัติ เพราะรู้ว่าได้มาแล้วก็ในที่สุดก็ต้องสูญเสียไปอยู่ดีเวลาได้มาก็ดีออกดีใจแต่เวลาเสียไปก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจนี่คือการใช้ปัญญาที่จะใช้ในการถอดถอนกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่างถาวรเพื่อจะได้ความสงบที่ถาวระ ความสงบของสมาธินี้เป็นความสงบชั่วคราวอาศัยกำลังของสติกดกดกิเลสเอาไว้กดตัณหาเอาไว้พอกำลังของสติอ่อนลงไปกิเลสตัณหาก็จะดันให้จิตออกมาคิดปรุงแต่งให้มารับรู้กับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา ถ้าต้องการที่จะทำลายความอยากความโลภต่างๆหลังจากออกสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไปรักอยู่เรื่อยๆทั้งในขณะที่ยังไม่เกิดทุกข์และในขณะที่เกิดทุกข์ถ้าออกจากออกจากสมาธิมาแล้วเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราได้มาแล้วก็ต้องจะต้องเสียไปสักวันหนึ่งได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะระ ง, งับความอยากได้ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วยังไม่มีความอยากก็ให้พิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนเผื่อเวลาเกิดความอยากจะได้ใช้ปัญญาเข้ามาระ ง, งับได้ทันท่วงที ถ้าไม่หัดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ล่งง่ายก่อนเวลาเกิดความอยากขึ้นมาอาจจะไม่สามารถผลิตปัญญาขึ้นมาไว้ดับความทุกข์ได้ทันท่วงทีก็อาจจะต้องใช้สติเป็นเครื่องมือช่วยคือกลับเข้าไปในสมาธิก่อนแต่ถ้าได้มีปัญญาได้ซักซ้อมได้เจริญปัญญาไว้อย่างต่อเนื่อง พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาปัญญาจะสามารถเข้ามาทำลายได้ทันทีเลยแล้วก็จะสามารถทำลายได้อย่างถาวรความอยากความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานี้จะไม่กลับคืนขึ้นมาอีกถ้าได้ถูกปัญญาทำลายไปจิตของพระอริยะแต่ละขั้นท่านจึงไม่เสื่อมการที่จิตจะเสื่อมลงให จากสูงให้ลงมาสู่ที่ต่านี้ก็เสริมด้วยอำนาจของตันหาความอยากนี้เองแต่จิตของพระอริยบุคคลทั้งสี่ท่านนี้ท่านจะไม่เสริมลงมาก็เพราะว่าจิตของท่านนี้ได้พัฒนาขึ้นไปด้วยการใช้ปัญญาด้วยการทำลายตันหาความอยากนั่นเองพอตันหาความอยากท่้นนั้นถูกทำลายไป ก็จะไม่มีตัณหาที่จะดึงจิตให้ตกลงมาต่ําคือจากพระโสดาบันนี้จะไม่มีวันที่จะกลับลงมาเป็นพระปุตุช น, เ ป, นปเป็นปุตตุชนและถ้าอยู่ในขั้นของพระสะกิดาคามีก็จะไม่มีวันที่จะเสื่อมลงมาเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระอนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสะกิดาคามีถ้าเป็นพระอรหันต ก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระอนาคามีเพราะว่าทําแต่ละขั้นนี้ที่ได้ก้าวขึ้นไปนี้ขึ้นไปด้วยการทําลายตันหาด้วยปัญญาเป็นการทําลายอย่างถาวรเมื่อตัญหาที่จะดึงใจให้ลงต่ำนี้ถูกทำลายไปจิตก็เลยไม่เสื่อมลงมาไม่เหมือนกับขั้นของปุถุชนขั้นของ โลกิยะคือขั้นของสมาธิขั้นของของสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ยังเสื่อมลงมาได้เพราะว่าการขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นผรมนี้ไม่ได้ขึ้นไปด้วยปัญญาขึ้นไปด้วยศีลด้วยทานด้วยสมาธิด้วยสติที่ยังไม่ถาวอ ที่ยังไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาได้อย่างถาวรเวลาจิตสงบในสมาธิก็อยู่บนสวรรค์ชั้นพรมพอกําลังของสติอ่อนลงไปกําลังของตัณหามีมากขึ้นก็จะดึงจิตให้เสื่อมลงจากสวรรค์ชั้นพรมให้ลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าสติอ่อนกําลังลงไปอีกจะว ตันหาความอยากก็จะดึงจิตให้ลงจากสวรรค์ชั้นเทพมาสู่ชั้นมนุษย์ต่อไปเพราะว่าการทาทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิเจริญสติเพื่อทำให้ใจสงบเป็นสมาธินี้ยังไม่ได้ทำลายตันหาตัวที่จะฉุดรากให้จิตใจเสื่อมลงมานั่นเองแต่ถ้าได้เจริญปัญญา ไล่กำจัดตัณหาแต่ละขั้นไปพอกันตัณหาขั้นนั้นถูกทําลายไปจิตก็จะไม่เสื่อมลงมาจากขั้นนั้นพอได้ทําลายนันหาของ ข, ของพระโ ส, โสดาบันไดพระจิตของพระโสดาบันก็จะไม่เลื่อนลงมาเป็นปุถุชนเช่นเดียวกับพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต เพราจิของท่านได้รับการพัฒนาขึ้นไปด้วยปัญญานั่นเองจึงไม่มีวันเสื่อมถ้าได้แล้วก็จะได้อย่างนั้นไปแล้วก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอารามขั้นที่ไม่มีตัณหาความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะสงบ เป็ น, นินบานังปรมังสุขขังนิบานังปรมังสูญญ์ยังไปตลอดไม่มีวันซึ่นสุสดนี่คือผลที่จะได้รับจากการที่เรามาพัฒนาอินรียห้าให้เป็นพละห้าขึ้นมาดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติของเราจึงอยู่ที่การพัฒนาอินรี์ทั้งหนี้คือพัฒนาศรัทธาพัฒนา วิริยะพัฒนาสติพัฒนาสมาธิและพัฒนาปัญญาให้เป็นพละห้าขึ้นมาถ้าเป็นพละห้าแล้วก็จะสามารถที่จะทาลายตันหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวฉุดลากให้จิตต้องเสื่อมลงมาและฉุดลากให้จิตต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดปะ พอมีพระห้าแล้วก็จะได้มรรคผลนิพพานเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พวกเราจงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการพัฒนา N4 ทั้งห้านี้ให้กลายเป็นพระห้าขึ้นมาให้ได้แล้วเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกัน จะได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างไม่มีเส้นสุดอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยยะถาวาหรือวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุ ป, ปกัปติ อิจิตังปฏตติตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาปจันโทปันะระโสยธามณีโจติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทานสีฤทษะนิจังวุธาปจายโนจตรารโธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง่าวต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาอยากจะถาม ก็ขอเชิญถามได้ผ่านทางไมโครโฟนเลยถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ตอบอเชิญน้มัสการเจ้าค่ะ อ, อ, อยา ก, กบเรียนถามเรื่องไตรลักษณ์นะเจ้าค่ะอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์หรืออ น, นิจจังรู้สึกว่าจะเข้าใจกันได้ แต่พอมาถึงอนัตตาเจ้าค่ะไม่ทราบว่าเราจะคิดอย่างไรถึงจะให้เห็นสภาพสภาวะแห่งธรรมว่าเป็นอนัตตาเจ้าค่ะเมตตาช่วยกราบช่วยตอบด้วยนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคำว่าอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนเช่นต้นไม้นี้มีตัวตนหรือไม่ก้อนหินมีตัวตนหรือไม่น้าฝนที่หล่นลงมานี่มีตัวตนหรือไม่ แต่ทำไมพอมารวมกันเป็นร่างกายจึงกลายเป็นตัวตนขึ้นมามันก็ยังไม่มีตัวตนอยู่นั่นแหละร่างกายนี้มาจากไหนก็มาจากดินดินผ่านทางอาหารข้าวนี่มาจากไหนผักมาจากไหนอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็มาจากผักมาจากข้าวผักกับข้าวก็มาจากดินจากน้ำ จากลมจากไฟพอต้นข้าวถ้าไม่มีน้ำก็จะเรินเติบโตไม่ได้ไฟถ้าไม่มีความร้อนมันก็จะเรินเติบโ ต, ตไม่ได้ถ้ามันหนาวแบบขั้วโลกเหนืออย่างี้ปลูกต้นไม้อะไรก็ปลูกไม่ขึ้นต้องมีความร้อนพอประมาณมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้มีดินที่มีมีอาหารของของต้นไม้ แล้วก็มีอากาศออกซิเจนลมหายใจต้นไม้ก็ต้องมีอากาศเหมือนกันเมื่อมีมีธาตุทั้งสี่มีดินน้ําลมไฟก็ทําให้เกิดเป็นต้นข้าวเป็นต้นไม้เป็นผลผลักลากไม้ที่เรารับประทานเข้าไปพอเรารับประทานเข้าไปในร่างกายมันก็ไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟัน เป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆแล้วอวัยะอวัยวะแต่ละชิ้นมันมีตัวตนหรือไม่ผมมันมีตัวตนหรือเปล่าขนมีตัวตนหรือเปล่าเล็บฟันหนังมีตัวตนหรือเปล่าเนื้อเอ็นกระดูกเลือดในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยสิ่งเหล่านี้มีตัวตนหรือไม่ เราต้องวิเคราะห์แบบนี้เราถึงจะเห็นว่ามันไม่มีตัวตว น, นมันเป็นอาการที่เราตั้งชื่อต่างๆเช่นเรียกมันว่าผมเรียกมันว่าขนว่าเลยบว่าฟันไปนั้นเองแต่มันก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วเวลาที่ร่างกายหยุดทำงานไม่หายใจอะไรเกิดขึ้น ก็การแยกออกของธาตุทั้งสี่ลมก็ไม่เข้ามีแต่ลมออกกลิ่นที่เราได้ได้ได้รับกลิ่นของร่างกายก็เป็นลมออกมาไฟก็หายไปความร้อนในร่างกายก็หายไปจากร่างกายของคนตายกับคนเป็นนี่จะมีอุณหภูมิไม่เท่ากันร่างกายของคนตายนี้จะเป็นอุณหภูมิของของอากาศรอบข้าง แต่ร่างกายของคนเป็นนี่จะอุ่นกว่าแล้วก็ไฟก็ไม่มีน้ําก็จะไหลออกมาน้ําเหลืองน้ําอะไรต่างๆออกมาทางทวารต่างๆถ้าปล่อยทิ้งไว้ไปเรื่อยๆมันก็จะแห้งกรอบไปร่างกายตอนต้นก็ต้องเน่าก่อนต้องขึ้นอืดก่อนขึ้นอืดแล้วน้ําก็จะไหลออกมาแล้วมันก็จะฟกหนุงไปเน่า เ่อแล้วก็จะแห้งไปทิ้งไปนานๆมันก็จะผุจะพังกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราอย่างผู้ที่คิดว่าเป็นตัวเราของเราไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ผู้ที่คิดไม่รู้ไปคิดว่าอยู่ในร่างกายตอนก่อนที่จะมีร่างกายนี่ผู้ที่คิดอยู่ที่ตรงไหนเคยเคยถามตัวเองไหม ตอนที่คุณพ่อคุณแม่จะมาเจอกันนี่เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่ไหนเรามาเป็นเราในร่างกายตอนที่มีร่างกายหรือว่าเราเป็นเราก่อนที่จะมีร่างกายกถ้าก่อนนะนั่นแหละก็คือการพิจารณาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ เกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนี้มันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นการผสมรวมกันของธาตุทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เป็นมาจากธาตุทั้งสี่ต้นไม้ก็ต้องมีดินมีน้ํามีอากาศมีความร้อนมันถึงจ ะ, จะเจริญเติบโตได้ สิ่งต่างๆเมื่อมันจะเริ่มโตๆถึงขีนหนึ่งแล้วมันก็จะเสื่อมไปต้นไม้ก็จะตายไป<ม>นี่คืออนิจจ์<ม>อนัตตาก็คือไม่มีใครตายไม่มีใครเสรื่อมเป็นการรวมตัวและการแยกตัวของดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองร่างกายก็แบบเดียวกันเหมือนต้นไม้ต่างจากต้นไม้ตรงที่มีจิตหรือมีใจมาสถิตอยู่มาครอบครองอยู่ แล้วตัวที่มาครอบครองก็หลงไปคิดว่าสิ่งที่ถูกครอบครองเป็นเป็นตัวของเขาเองซึ่งตัวของเขาไม่ใช่ร่างกายตัวของเขาเป็นร่างที่ตัวของเขาไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายแต่เขามองไม่เคยเขาไม่เคยมองเห็นตัวของเขาเองเขาเห็นแต่ตัวแทนของเขาคือร่างกายก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเขาถ้ามาปฏิบัติธรรม ทาจะเป็นเหมือนกระจกส่องให้เห็นใจให้เห็นจิตว่าไม่ใช่ร่างกายผู้ปฏิบัติธรรมจิตสงบแล้วจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจในี่แยกกันร่างกายนี้จะเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเวลาจิตที่สงบส่วนจิตใจนี้ก็คือผู้รู้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนผู้รู้ผู้คิดเนี่ย ก็จะเห็นว่าเป็นสองส่วนกันร่างกายเป็นส่วนหนึ่งผู้รู้ผู้คิดเป็นอีกส่วนหนึ่งมารวมกันในขณะที่ตั้งครร์อยู่ในท้องแม่อยู่ในครรภ์ของแม่แล้วก็มาแยากกันที่โรงพยาบาลหรือที่ที่วัดจิตก็ไปทางหนึ่งร่างกายก็ไปอีกทางหนึ่งร่างกายก็ไปสู่เมนถูกไฟเผาก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไป ส่วนจิตที่ยังมีกรรมอยู่ก็ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านถึงเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือจิตไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะไปไหนได้พอตายไปแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป ส่วนจิตนี้ไม่มีวันตายเมื่อยังมีกรรมอยู่ก็ต้องไปเกิดต่อไปถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องหยุดกรรมให้ได้กรรมที่เป็นตัวผลักดันให้จิตไปเกิดก็คือตัณหาความอยากต่างๆการมาปฏิบัติก็เพื่อมาตัดมาหยุดความอยากต่างๆถ้าไม่มีความอยากแล้วจิตก็ไม่ต้องไปหาร่างกายไม่ได้ไม่ต้องไปได้ร่างกายอันใด มาทุกข์กับร่างกายอยู่เรื่อยๆจิตก็จะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายนี่คือเรื่องของอนัตตาไม่มีตัวตนมีธาตุสี่และมีธาตุรู้คือจิตตัวตนเป็นความคิดตรงแต่งขึ้นมาของจิตเองคิดว่า เราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาแต่เป็นเพียงความคิดไม่ใช่เป็นความจริงเวลาจิตหยุดคิดเมื่อไหร่ตัวตนก็จะหายไปเมื่อนั้นมันเกิดจากความคิดแล้วก็ไปหลงยึดติดกับความคิดนั้นว่าเป็นความจริงผู้ที่ปฏิบัติที่สามารถหยุดความคิดได้จะเห็นความแตกต่างเวลาที่มีความคิดกับเวลาที่ไม่มีความคิดเวลาที่มีความคิดจะมีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนอยู่ พอหยุดความคิดปรงแต่งไปก็จะเหลือแต่ความว่างไม่มีตัวไม่มีตนให้ให้มีความรับรู้อยู่อันนี้ต้องปฏิบัติถึงจะเห็นได้ชัดเจนการพูดนี้ก็เป็นพเพียงแต่วาดภาพไม่เห็นแบบสังเกตเท่านั้นเองวานยังไงถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่เห็นก็ยังจะสงสัยอยู่อย่างนั้นเหมนคนที่ถูกปิดตาด้วยผ้า ถ้าอยากจะเห็นว่าภาพต่างๆที่คนอื่นที่เขาไม่ได้ถูกผ้าปิดตาไว้เห็นเป็นอย่างไรก็ต้องเอาผ้าปิดตาออกแล้วก็ลืมตาขึ้นถ้าลืมตาขึ้นแล้วก็จะเห็นเหมือนกับคนที่เขาไม่ได้ถูกมีผ้าไม่มีผ้าปิดตาปิดตาเอาไว้เห็นการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นการเอาผ้าที่ปิดตาในออกผ้าที่ปิดตาในออกก็คือโมหะอวิชชา ความหลงความไม่รู้ความจริงทางการปฏิบัติท่านเรียกว่าเป็นการเปิดตาในเปิดตาในตาในนี่คือปัญญาที่จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอ น, าานัตตาอะไรอย่างนี้ยังต้องเกิดจากการปฏิบัติถึงจะหายสงสัยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนตาบอดคำช้าง ไปได้ยินเรื่องตาบอดคําช้างคนตาบอดสี่ห้าคนไปคําช้างกันแล้วก็มานั่งเถียงกันว่าช้างเป็นอย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้เพราะไปคําคนละที่กันเลยเห็นเพียงบางส่วนไปจับท้องช้างก็ว่าเป็นเหมือนฝาผนังไปจับหางช้างก็ว่าเป็นเหมือนเชือกไปจับงวงช้างก็ว่าเป็นงูไปจับงาก็ว่าเป็นหอกมันก็ถูกทุกคนแต่ไม่ถูกหมด เรามานั่งถกเถียงกันเห็นการที่จะเห็นอะไรอย่างชัดเจนนี้ต้องเห็นด้วยการปฏิบัติเหมือนกับโบราณที่พูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคนที่เขาเคยไปเที่ยวต่างประเทศมาเขามาเล่าให้เราฟังว่าประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นประเทศนี้เป็นอย่างนั้นเราฟังแล้วเราก็ได้แต่จินตนาการไปเราก็ยังไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรจนกว่าเราจะไปไปที่ประเทศนั้น แล้วอยู่เราไปสัมผัสไปดูไปเห็นเราก็จะไม่สงสัยว่าเขาสิ่งที่เขาพูดเขาเล่ามานี้เป็นอย่างไรกันนะยิ่งนั้นการฟังนี้เป็นเพียงเ ป, เป็นเหมือนกับเป็นดูภาพยนตร์ตัวอย่างเพื่อที่จะทําให้เกิดความสนใจที่อยากจะดูทั้งเรื่องอการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เพื่อที่จะปลุกศรัทธาความเชื่อความสนใจ ให้ไปศึกษาให้ไปปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นของจริงที่เรายังมองไม่เห็นพอจะเข้าใจเดี๋ยวจะพูดอะไรต้องพูดผ่านไหมคนอื่นจะได้พูดไปเออพอจะเข้าใจเจ้าค่ะแต่โดยสังเกตอีกคําถามหนึ่งไหมเจ้าค่ะอีกคํ า, าคถามก็ได้เอาให้เต็มที่เลยเออถ้าเผื่อเรา ไม่มีการมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่มีร่างแล้วนะเจ้าคะแสดงว่าจิตนั้นยังคงอยู่ใช่ไ้ยเจ้าคะเพราะว่าร่างกับจิตนี่แยกกันใช่จิตไม่เคยตา ย, ยาเพียงแต่ว่าจิตจะอยู่เฉยๆแล้วจิตจะไปแบกของท่านั่นเองอเหมือนร่างกายตอนนี้เราจะนั่งเฉยๆก็ได้หรือเราจะไปแบกข้าวแบกของก็ได้อย่างไหนจะดีกว่ากันนั่งเฉยๆกับไปแบกข้าวแบกของอนั่งเฉยๆดีกว่านั่นแหละ จิตของเราก็เป็นแบบนั้นนะถ้าเราไม่มาเกิดเราก็ไม่ต้องมาแบกนั่งกายนะี่ท <Okay. S 2> ่านั้นเองแต่จิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิม mm hmm. อยู่ที่เดียวกับคนที่ไปแบกนั่นแหละ mm hmm. อยู่ในโลกทิพย์ไงเจตนี้อยู่ในโลกทิพย์นัางกายนี่อยู่ในโลกกระถาน mm hmm. อยู่คนละมิติกัน <Okay. S 2> แต่เชื่อมต่อด้วยวิญญาณกระแสะจิตนี้จะส่งเหมือนกับที่เราส่งยาณอาวกาศไปสารวจใน อ, อวกาศใน ในพบต่างๆในโลกต่างๆเราเราติดต่อกับยานอวกาศด้วยอะไรสัญญาณวิทยุใช่ไหมเราเห็นภาพที่เขาถ่ายมาส่งมาผ่านทางสัญญาณวิทยุแต่เรานี่ไม่ได้ไปอยู่ที่ในยานอวกาศแต่นในจิตก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตก็อยู่ที่หนึ่งแล้วก็รับข้อมูลของทางร่างกายผ่านวิญญาณเช่นภาพที่เข้ามาทางตาก็จะ ส่งมาโดยโซจากุวิญญาณเสียงก็จะมาทางโสตวิญญาณวิญญาณนี้มีอยู่ห้าชนิดที่รับข้อมูลผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายแต่จิตกับร่างกายไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละโลกอยู่คนละมิติกันอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายจึงไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตเนี่ย ร่างกายตายไปเช่นระเบิดนิวเคลียร์หล่นลงมานี่ร่างกายตายหมดแต่จิตทุกดวงที่อยู่นี้ไม่ได้ตายกันมาแต่จิตที่ไม่รู้ก็ตื่นเต้นตกใจคิดว่าตนเองตายพอเกิดอะไรขึ้นนี่ก็ร้องห่มร้องไ ห, งห้เดือดร้อนกันไปหมดเหมือนกับคนที่ดูภาพยนตร์ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเพียงคนดูแต่ไปร้องห่มร้องไห้กับดาราภาพยนตร์ที่อยู่ในจอ เวลาพระเอกนางเอกถูกยิงตายนี่คนดูน้องห่มร้องไห้กันได้่หมแต่คนดูไม่ได้ถูกยิงตายแต่กลับไปเดือดร้อนแทนพระเอกเพราะตอนคิดว่าตอนเองเป็นพระเอกเป็นนางเอกกันนาะ mm hmm. นั่นแหละคือจิตกับร่างกายอยู่คนละที่กันร่างกายอยู่บนจอจิตอยู่ที่คนนั่งดูคนละส่วนกันแต่คนนั่งดูหลงไปติด ไปอินกับภาพที่เห็นไปคิดว่าตนเองอยู่ในจออยู่กับร่างกายพออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็เดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายเขาไม่เคยเดือดร้อนเลยเขาเจ็บเขาไม่เคยบน่นเขาปวดก็ไม่เคยบน่นผู้ที่บ่นคือคือจิตที่ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บแต่ไม่อยากให้มันปวดไม่อยากให้มันเจ็บก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ความทุกข์ทรมานใจของจิตเกิดจากความอยากของจิตเองอยากให้ร่างกายไม่เจ็บเวลาร่างกายเจ็บอยากให้หายก็เกิดความทรมานใจขึ้นมาถ้าไม่เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปจะไม่ทรมานจะเฉยๆนี่เือเรื่องของจิตกับเรื่องของร่างกายเป็นคนละส่วนกันร่างกายตายไปจิตไม่ได้ตายไปด้วย ถ้าจิตไม่ไปแบกร่างกายอันหมายจิตก็อยู่ที่เดิมพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดียวกับที่ท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่จิตมันไม่มีมิติเหมือนร่างกายที่เคลื่อนไปตามสถานที่ต่างๆจิตมันอยู่ที่จุดเดียวจิตทุกดวงมีที่ที่ที่อยู่จุดเดียวไม่ได้เคลื่อนไปไหนนมื่อไงเพียงแต่ส่งกระแสจิตไปแบกไปรับรู้สิ่งต่างๆ ไปแบกร่างกายส่งกระแสจิตไปเวลาเกิดการตั้งครรภขึ้นมาในท้องจิตก็ส่งกระแสจิตไปครอบคลองร่างกายนั้น ท, ทันทีแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกายไปนะใช้ร่างกายนั้นให้ทาอะไรตามสิ่งที่จิตอยากจะให้ทำสิ่งที่จิตอยากให้ทำก็คืออยากดูอยากฟังนี่เองพอได้ร่างกายมาแล้วพอโตก็อยากจะไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหม อยากจะไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานกันถ้าตัดตัวอยากไปได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องส่งกระแสจิตไปยึดร่างกายที่ตั้งอยู่ในคันอคนให้จิตดวงอื่นที่ยังโง่อยู่ไปไปยึดไปติดผู้ที่ฉลาดแล้วท่านจะไม่ไปไปติดไปไปครอบครองร่างกายที่อยู่ในคัน ท่านอยู่เฉยๆสบายกว่าปรมังสุขขังเนี่ยจิต ท, ที่มีปรมังสุ ข, ขังแล้วก็จะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการมีร่างกายไม่ต้องการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายเนการปฏิบัติก็เพื่อทาให้จิตไปถึงจุดปรมังสุขขังปร ม, มัสุขจะถึงจุดนั้นได้ก็ต้องทำลายความอยากให้หมดไปหมดความอยากเมื่อไหร่ก็จะ ถึงความอิ่มความพอ mm hmm. ก็จะไม่ต้องส่งจิตไปหาร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆถ้ายังมีความอยากอยู่พอร่างกายอันนี้หมดไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อทาอย่างนี้มานานแล้วและจะทานิดต่อไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วสามารถน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัต ได้เท่านั้นนะถึงจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างถาวรมีอะไรไหมไม่สราบจะสมควรไหมแต่อยากจะถามว่าทำยังไงจิตถึงจะไม่อยากแล้วเจ้าค่ะก็ต้องบวชเนี่ยเอามาบวชอย่างเนี้ยบวชก็ตัดความอยากถือศีลแปดบรรจุดเริ่มต้น ถ้าถือศีลแปดอยากดูหนังก็ไม่ได้ดูแล้วอยากกินอาหารตอนเย็นตอนค่ำก็ไม่ได้กินแล้วอยากจะร่วมหลับนอนกับสามีก็นอนไม่ได้แล้วถือศีลแปดก่อน 8, แต่การถือศีลแปดนี้ยังไม่ได้ทำความทาลายความอยากเพียงแต่เพียงแต่กั้นมันไว้ทำรั้วกั้นไว้ซึ่งถ้ามันดือ้อมันก็อาจจะเปลี่นรั้วได้คนถือศีลแปดอาจจะไปกินข้าวเย็นก็ได้ไปดูหนังก็ได้ มันเพียงแต่รู้ว่าเทานั้งแต่อย่างน้อยก็จะได้รู้ขอบเขตว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นแล้วขั้นต่อไปก็ต้องปฏิบัติทํานั่งสมาธิทําใจให้สงบนั่นแหละพอใจสงบนั่นแหละตอนนั้นความอยากจะหยุดทํางานทันทีแต่ก็หยุดชั่วคราวในขณะที่ใจสงบพอถอนออกจากความสงบมาความอยากก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ เนี่ยถ้าอยากจะทำํำลายความอยากให้มันหมดไปอย่างทาวรก็ต้องอาศัยปัญญาปัญญาที่เห็นตายรักนี่พอเห็นตายรักแล้วมันก็จะไม่อยากถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราอยากจะดื่มนี้เป็นยาพิษคุณจะดื่มไหมไม่จะพักนั่นแหละที่เราไม่เห็นเราไปเห็นว่ามันเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มแต่ทุกอย่างที่เราดื่มที่เราสัมผัสนี่มันเป็นยาพิษเพราะอะไรเพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มมันเป็นยังไง มันสุขเมื่อมันทุกข์เช่นเวลากาแฟหมดแล้อยากดื่มกาแฟจะทําไงอยู่เฉยๆได้ไหมนั่นแหละไม่เห็นตรงนั้นคิดว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราได้ดังใจก็มีความสุขแต่เราไม่เคยคิดว่าถ้าเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ดังใจจะทํำยังไงมันสังวันหนึ่งจะต้องไม่สามารถทําตามที่ใจเราอยากได้ ของที่เราอยากได้อาจจะหมดไปเงินอาจจะหมดไปไม่มีเงินซื้อของที่เราอยากได้หรือมีเงินมีของแต่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันไม่สามารถที่จะเสกของเหล่านั้นได้แล้วเช่นหมอบอกว่าพอแล้วน้าตาลมากไปแล้วทุเรียนต้องลดลงให้น้อยลงแล้วขนมอะไรนั้นตอนนั้นมันก็ทังานมันก็ทุกใช่ไหนะมเนี่ยเราไม่เห็นทุกข์กันเห็นแต่ด้านเดียวเห็นแต่ด้านสุข แต่พอถึงเวลาที่ร่างกายมันเสื่อมเราจะไม่มีความสามารถที่จะเสพของที่เราต้องการจะเสพได้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้านถึงสอนพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงร่างกายของเราไม่เที่ยงเครื่องมือที่เราจะใช้เสพอะไรต่างๆนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวพอมันแก่ลงวัยมากสูงอายุมากขึ้นมันต้องลดการบริโภคลงเพราะปริมาณมันมากเกินไปสาหรับร่างกาย แต่ใจมันไม่ได้ลดความอยากไปตามความต้องการของร่างกายใจยังมากยังอยากมากเหมือนเดิมหรือยังอยากมากกว่าเดิมเส้อได้ซ้ำไปก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าขา้ามใจไม่ได้ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปเข้าโรงพยาบาลไปสิ่งที่จะห้ามความอยากได้ก็คือต้องให้ตัวเอง จิของเรามีสติยังคิดใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องมีศีลและสติแล้วก็มีปัญญามียังคิดอย่างเดียวไม่พอพอพอสติเพอเมื่มอไหร่มันก็คิดได้ใหม่เน้นต้องให้มันคิดไปในทางที่เห็นความจริงเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากและสิ่งที่เราอยากนี่มันมีทั้งคุณทั้งโทษมันจะให้คุณเราตอนต้นแต่มันจะให้โทษเราตอนปลายสุขต้นทุกข์ปลายของทุกอย่างที่เราได้มานี้มันจะเป็นสุขต้นทุกข์ปลายทังนั้น เวลาได้อะไรมาก็สุกกันเลี้ยงฉลองกันเป็นวันเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยแต่พอเราต้องพัดภาคจากกันก็ร้องห่มร้องไห้กันเพราะของทุกอย่างมันไม่เที่ยงงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงเวลาไม่มีวันนี้งานเลี้ยงเป็นไงเศร้าส้อยหงอยงหเหงากันใช่ไหมนั่นแหละไม่เห็นวันนั้นกันไม่ยอมมองวันนั้นกันพระเจ้าถึงสอนให้เรามอง ความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเราก็จะได้หยุดความอยากถ้าหยุดความอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เวลาร่างกายไม่สามารถที่จะเสพสิ่งต่างๆได้ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่มีความอยากจะเสพแล้วเรามีความสุขภายในตัวเราความสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง เราต้องพยายามสร้างความสุขใหม่ขึ้นมาความสุขทดแทนสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วไม่ต้องพึ่งความสุขแบบอื่นไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผูดตับะไม่ต้องพึ่งร่างกายอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้อยู่โรงพยาบาลก็มีความสุขได้แก่อายุร้อยปีร้อยปีก็มีความสุขไม่เดือดร้อนไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เพราะไม่มีความอยากแล้วตายไปก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะไม่ต้องการใช้ร่างกายอีกต่อไปขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าอ่มีใครอย่างกระถาไห ม, ไมวันวันนี้ลูกเชื่อเรื่องพระธรรมจักสันตีไม่ได้มีเจตนาได้มาพบพระคุณเจ้าแต่มีความตั้งใจไว้แต่ไม่ทราบว่า นึกไม่ถึงว่าจะได้มาวันนี้เจ้าค่ะมาโดยที่ไม่ไม่ได้ตั้งใจไว้แต่ตั้งใจไว้แต่ไม่ได้มายัางไม่ได้มานึกว่าสรุปแล้วก็คือได้มาวันนี้ก็จะขอโอกาสพระธรรมเมตตาสิ่งที่จะพูดกับพระคุณเจ้าก็ขอเข้ามาด้วยถ้าสิ่งไหนมันไม่สมมาพาควรได้โปรดอาโหสิกรรมให้กับแม่ฉีด้วยแม่ชีพูดนี้ ก็ไม่เชิญคําถามแต่เป็นคําที่จะให้ท่านตัดสินเจ้าค่ะขอความแม่ตาให้ท่านตัดสินว่าแม่ชีไปออกปฏิบัติก็ทิ้งครอบครัวมาสิบหกปีก็เดินสายพระหลวงตาเจ้าค่ะไปอยู่กับพระหลวงตาเป็นบางวละก็เอาดําเนินตามพระหลวงตาคุณแม่จันดีเจ้าค่ะอ่าก็ได้ดําเนินมาก็ ที่แรกก็ไม่รู้ถึงว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ถึงอยู่มา 16, 000, 16ปีนี่และเจ้าค่ะการดำเนินก็มารู้ว่าสาธุชนชาวไทยชาวพุทธชาวปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจคำถามคำพูดของพระคุณเจ้าหรือเรียกว่าโจ์นะเจ้าคะ่ะเพราะมันเป็นศัพท์ของพระพธิเจ้าพระเจ้าพ ร, พระคุณเจ้าสาธุชนไม่สามารถจะขอให้ท่านะ ชี้แจงละเอียดได้อีกว่าละหนึ่งวันนี้แม่ชีจะขออนุญาตขอความขอโอกาสที่ท่านเมตตาเพราะได้ฟังวิทยุซีดีธรรมะของท่านก็รู้ว่าท่าน่ะเมตตาเปิดโอกาสให้ถามรับตอบคำตอบข้อคกใจจึงขอเผือ่อเพื่อนชาวปฏิบัติธรรมด้วยกันเพราะตัวเองก็มีโรคประจำตัวคือตั้งปรารถนาไว้อยากยา ช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงด้วยกันที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงพระคุณเจ้าได้อย่างสะดวกวันนี้ขอขอบพระคุณพระพุทธศาสนาที่เมตตาลูกจะขอซึ่งก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากคุณที่เขาถามเจ้าค่ะเ อ, อใช่เจ้าค่ะปฏิบัติต้องมาปฏิบัติต้องมารักษาศีลเพื่อถึงจะรู้รู้เรื่องของชีวิต ที่มาเกิดในโลกนี้รู้เรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่ทีนี้ภาคปฏิบัตินี้การดําเนินเจ้าค่ะการดําเนินเนี้ยขอตรงขอได้โปรดเมตตาลูกดําเนินมาแบบนี้ไม่ชี้ดําเนินมาแบบนี้อต่ขอความให้ท่านชี้ชัดนั่นะเจ้าค่ะว่าเราจะรู้เราจะทิ้งละได้สละได้ตัดได้วางได้ มันต้องเดินตามขั้นตอนตั้งกระฐานศีลภาวนาจริงๆใช่เจ้าค่ะทีนี้ศีลต้องบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ก็ภาวนาไม่ไม่บรรลุธรรมเพราะถือว่าผิดผิดข้อกติกาตกลงของพระพุทธศาสนาทีนี้ลงเมื่อลงมาปฏิบัตินี้ภาคปฏิบัติต้องพิจารณากําหนดนึกคิดจินตนาการสมมุติเอาสมมติขึ้นมาดําเนิน เรียกว่าวิปัสนาเดินปัญญาอแม่ชีขอความกรุณาอันนี้ไม่ใช่คําถามนะมันเป็นคําเทศนะขอหยุดติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะให้คนอื่นเขาถามถ้อยนัก็ไม่เป็นไรจะค่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันวันหลังจะเทศจะให้ขึ้นมาเทศแทนอ๋อๆเลยเจ้าค่ะเป็นเทศเลรอเจ้าค่ะมันเป็นคําเทศไปแล้วมันไม่ใช่คําถามนะแต่ว่าจะขอให้ท่านเมตตาลงไเมตตาแล้วพอล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะถามคําถามต่อเอาแค่นี้ก่อนนะได้ได้เจ้าค่ะ เอาส่งไมค์คโฟนไปคำถามจากผู้ฝากถามคำถามแรกค่ะมีบทความทางวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายไว้ว่าในโลกวิทยาศาสตร์การฆ่าตัวตายไม่ใช่บาปกรรมหรือตัวชี้วัดความล้มเหลวของชีวิตแต่อาจเกิดจากสารเคมีในสมองที่ทำงานไม่สมดุล ส่งผลให้มนุษย์ไม่สามารถประมวลข้อมูลเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาพวกเขาจึงเลือกทางลัดที่น่าเศร้ากว่าโดยนักคุวิทยาศาสตร์ที่วิจัยสมองคนค่าตัวตายบอกว่าต้นเหตุคือสารเซโรโทนินคือสารที่ทำหน้าที่สื่อประสาทในการส่งผ่านความรู้สึกในสมองของคนคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าสารชนิดนี้จะลดลง จากบทความนี้ถ้าในทางพุทธก็จะถือว่าไม่เข้าใจถึงเรื่องกายและจิตที่แยกจากกันและไม่เข้าใจถึงปัญหาของความอยากตามคำสอนของศาสนาพุทธใช่หรือไม่คะใช่แล้วเพราะเขาไมไ่เคยศึกษาเรื่องจิตใจเขาศึกษาที่ร่างกายและคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ภายในร่างกายทั้งหมดเขาคิดว่าถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จบ จะฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นตายก็ไม่มีผลตามมาเพราะว่าเขาไม่มีกระจกสองใจนั่นเองเขามีแต่กระจกสองร่างกายแต่เขาไม่เห็นใจเขาไม่เคยรู้จักคาว่าใจนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจะไปถกไปเถียงกันไปพูดกันก็เหมือนกับไปพูดกับคนตาบอดพูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆก็ปล่อยเขาเชื่อไปตามความเชื่อของเขาแล้วกันเราก็เชื่อตามความเชื่อของเรา คำถามต่อมาจากคุณกนกพรภัยสารอัศวเสนีตำรากล่าวว่าการทำทานเป็นการกำจัดความโลภ ก, การรักษาศีลเป็นการกำจัดความโกรธการเจริญภาวนาเป็นการกำจัดความหลงทานศีลภาวนากำจัดความโลภความโกรธความหลงอย่างไรคะพิจารณาแล้วไม่เข้าใจค่ ะ, ะไม่ถูกครับทานศีลนี้เป็นเพียงแต่ เป็นเครื่องมือที่จะตล่อมความโลภความโกรธให้เข้ามาอยู่ในกรอบที่ที่จะใช้สมาธิและปัญญาทําลายมันถ้าเราเปรียบเทียบตัวความโลภความโกรธความหลงนี่ก็เหมือนกับวัวควายที่เราจำต้องการจับไปฆ่าถ้าเราไม่ขังมันไว้ในคอกปล่อยให้มันเพ่นพ่านอยู่มันก็จะจับมันยาก งันขั้นต้นถ้ามันยังไม่ได้อยู่ในคอเราก็ต้องไปตามจับมันในป่ามันก็จะยากก็เหมือนกับการทำทานนการทำทานก็จะดึงลดความความโลภความอยากให้น้อยลงไปเวลาอยากจะไปเที่ยวเช่นวันนี้ญาติโยมอยากไปเที่ยวกันเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทำบุญแทนมันก็จะตัดความอยากเที่ยวลงไปเท่ะเล็กเท่าน้อย ทุกครั้งอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาไปทำบุญทุกครั้งอยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็เอาไปทำบุญถ้ามันไม่จำเป็นจะต้องซื้อนะอันนี้เรียกว่าทานเพื่อที่จะตะล่อมความอยากให้มันน้อยลงมาก่อนแล้วพอเราทำทานได้เราก็จะมีจิตใจเมตตากรุณาเราก็จะรักษาศีลได้เราก็จะไม่ไปทำบาปทำกรรมกับผู้อื่นเพราะคนที่ให้นี่จะมีความเมตตา มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแต่คนที่ไม่ให้ น, นี้จะเห็นแก่ตัวอยากจะคิดอยากจะเอาประโยชน์ใส่ตอนเองเพียงอย่างเดียวดังนั้นเวลาทําอะไรถ้าทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็จะไม่สนใจแต่คนที่ให้ น, นี้จะกังวลจะไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนจากการกระทําของตนเองก็จะทําให้เกิดมีศี่งขึ้นมาพอรักษาศีน้าได้ก็ต่อไปก็จะรักษาศีแปดได้ครับ ก็จะตะล่อมความอยากเข้ามาเรื่อยๆให้เข้ามาสู่คอกที่เล็กลงไปเรื่อยๆแคบลงไปเรื่อยๆพอจับเข้าไม่อยู่ในคอกก็สามารถจับมันมัดไว้กับเสาได้การจับมัมดไว้กับเสาก็คือการเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบนะบพอจับมันมัดกับเสาได้ทีนี้ก็สบายเอามีดมาฟันคอมันได้นี่แหละมันต้องใช้ปัญญาถึงจะทําลายความโลภความโกรธ ค, ความหลงได้ไปทั้งหมดนะครคนที่พูดว่า ทำทานเพื่อละความโลภทำรักษาศีลเพื่อรักษาความโกรธนี่เป็นเป็นเป็นเพียงเหมือนกับเป็นผู้ยังไม่ได้ปฏิบัติจริงก็มีส่วนช่วยละได้ความโลภช่วยละความโกรธได้แต่ไม่สามารถที่จะทําลายมันได้อย่างถาวรความโลภความโกรธความหลงนี้จะต้องทําลายด้วยปัญญาเท่านั้นเพราะความโลภกับความโกรธออกมาจากความหลง และความหลงจะถูกทําลายได้ก็ต้องใช้ปัญญาความจริงความรู้จริงความเห็นจริงความหลงทําให้เราโลภคิดว่าได้สิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้มาจะทําให้เรามีความสุขอเราก็โลภอยากจะได้พอเราไม่ได้ดังใจเราอยากเราก็จะโกรธแต่ถ้าเราไม่มีความหลงเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่มีความโกรธกับใครนี่คือ การวิธีกำจัดความโลภโกรดหลงจริงๆต้องกำจัดที่ปัญญาแต่ก่อนที่ปัญญาจะสามารถทำหน้าที่ได้นีต้องใช้ทานสีงสมาธิดึงความโลภความโกรดเข้ามาให้อยู่กับที่จับมันมัดไว้กับเสานั่นแหละตอนนั้นปัญญาถึงจะสามารถมาตัดมาฆ่ามาฟันมันได้คำถามต่อมาจากคุณซอดีอารมณ์ดีดีเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ โยมปฏิบัติตามรูปแบบทุกวันติดตามเพจผพ้าจา์มาสักระยะบางครั้งจะได้กลิ่นหอมดอกมะลิแต่ในที่นั้นไม่มีดอกมะลิแต่ได้กลิ่นจริงๆหลายครั้งได้ชอบได้กลิ่นที่สัมผัสได้เกิดจากอะไรคะบางทีถามคนใกล้ๆแต่เขาก็ไม่ได้กลิ่นมีความยินดีจะพิจารณา ไม่ให้ติดใจในกลิ่นที่มากระทบได้อย่างไรบางครั้งเป็นกลิ่นหอมดอกไม้แต่ไม่รู้จักรู้แต่ว่าหอมและใจชอบพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวลาอะไรมาปรากฏให้เราสัมผัสรับรู้นี่อย่าไปสนใจที่มาที่ไปของเขาให้สนใจความจริงของเขาความจริงของเขาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไป เขาเป็นอนัตตาก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟเราไปสั่งให้เขาไม่ได้สั่งให้เขาอยู่ไม่ได้สั่งให้เขาไปไม่ได้ให้รู้เฉยๆเขาอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาไปเขาปล่อยให้เขาไปอย่าไปอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไปเพราะจะทำให้เราทุกข์หรืออยากจะรู้ว่าเขามาจากที่ไหนก็เหมือนกันอย่าไปอยากให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้แล้วใจก็จะสงบเหมือนเดิม คำถามต่อมาจากคุณสมศักดิ์ทองศาสตร์ค่ะการเจริญอนิจจสัญญาคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรครับตอนนี้จะก็อ น, นิจจังสัญญาก็คือให้เราคิดจำถึงเรื่องอ น, นิจจังเช่นให้จำว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยอ น, นิจจสัญญาคำถามต่อมาฝากถามค่ะถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกรู้สึกปวดหรือเกร็งที่หน้าผากจะต้องทำอย่างไรถึงหายคะ ก็ปล่อยมันได้เดี๋ยวมันก็หายเองมันก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาคำถามต่อมาค่ะร่างกายในส่วนสมองที่นึกคิดเป็นอะไรกับจิตและใจคะไม่รู้เรื่องเรื่องสมองนี่เราไม่รู้ว่ามันมันนึกมันคิดได้มันไม่มีในตำราของพระพุทธศาสนาความนึกความคิดนี้อยู่ในจิตไม่ใช่อยู่ที่สมองฝากถามค่ะผมนั่งสมาธิได้สงบ แต่ไม่รู้จะเพิ่มปัญญาในสมาธิได้อย่างไรบางครั้งนั่งสมาธินา น, านสงบมากแต่ออกจากสมาธิอุโมโหง่ายขึ้นเอ่อเพิ่มเพิ่มปัญญาในสมาธิไม่ได้สมาธิไม่ใช่เป็นที่เพิ่มปัญญาสมาธิเป็นที่เพิ่มอุเบกขาคือถ้านั่งอยู่ในสมาธิได้นานเท่าไหร่อุเบกขาจะมีกำลังมากขึ้นไปเท่านั้นแล้วเวลาออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะรักษาอุเบกขา ก็ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาใจนะถ้าพิจารณาใจรักใจก็จะเป็นอุเบกขาต่อได้แต่ถ้าไม่พิจารณาปั๊บก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาได้ทันทีถ้าเห็นอะไรอยากได้แล้วคนอื่นเอาไปก่อนก็จะโกรธทันทีคําถามจากแม่ชีพี่หมอกันค่ะพอบวชแล้วรู้สึกว่ากิเลสไม่ได้บวช ด, ด้วย มองเสื้อผ้าชุดชีที่สวมใส่ก็รู้สึกเป็นเพียงเครื่องแบบแต่กิเลสมันไม่ได้บวชเหมือนร่างกายแล้ววิธีที่จะรู้ว่ากิเลสบวดจะรู้ได้อย่างไรหรือต้องสําเร็จมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งไปแล้วถึงจะรู้เ <c oughs> จ้าคา่ะก็ต้องเลิกกาแฟเป็นนันแรกก่อน เมื่อฉีติดกาแฟแล้วอยากจะรู้ว่าบวชแล้วไม่บวชก็อยู่ที่การเลือกกาแฟหรือไม่เลือกกาแฟนั่นแหละถ้าเลือกกาแฟก็ถือว่าได้บวชแล้วแต่ยังไม่เลือกก็ยังไม่ได้บวชอยู่ดีนันก็เหมือนกับตอนที่เป็นคารวาสนั่นแหละเขยังติดกาแฟอยู่เหมือนเดิมขอแยกคำถามเดี๋ยวขอแชรข อ, ขอไมโครโฟนหน่อยเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเพราะนี่ไปทั่วโลกเลยนะเดี๋ยวก็ไปใน y o u ูทูบไป f เฟซบุ๊ก เรียนถามเ้าคะว่าคำ ว, ว่าบริกรรมกับคำ ว, ว่าภาวน า, นามีความแตกต่างกันใช่ไมเจ้าคะจากความรู้สึกของโยมเองเข้าจะราบริกรรมนี่หมายถึงเราบริกรรมคําใดคําหนึ่งก็ได้ให้จิตสงบเช่นพุทโธหรือนับหนึ่งสองหนึ่งสองนี่คือบริกรรมแต่ส่วนภาวนาหมายถึงว่าขณะนั้นเรากําลัง ใช้ปัญญาหรือใช้สติทบทวนให้เกิดความรู้แล้วก็มานดูจิตตัวเองนี่คือการภาวนาซึ่งแตกต่างจาก บ, บริกรรมใช่หรือเปล่ลาะคะคือคำว่าภาวนานี่เป็นคํากว้างที่ครอบคลุมทั้งการเจริญสมาธิและปัญญาเราจึงมีสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาการสมถภาวนาก็คือทําใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ การเจริญวิปัสสนาภาวนาก็คือการพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนการบริกรรมนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติให้จิตตั้งมตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้อยู่กับคําว่าพุโทโธพุธโทโธเราเรียกว่าบริกรรมบริกรรมก็คือการเล่เล่นท่องอยู่ภายในใจนี้เองท่องคําว่าพุโทโธพุธโทโธไปเรียกว่าบริกรรม ซึ่งเป็นการเจริญสติซึ่งอยู่ในขอบของการเจริญสมถภ า, ภาวนาเพราะว่าถ้าเราเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้แต่ไม่เป็นปัญญาฉะนั้นเวลาเราใช้ภาษานี้บางทีเราใช้กันแบบทดแทนกันไปจนเกิดความสับสนกันขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ศึกษา ความหมายเดิมของคำแต่ละคำนี้เราก็อาจจะงงได้ว่ามันเป็นอย่างไรดังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติควรจะศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนเกี่ยวกับนิยามของคำต่างๆเพราะคำบางคำนี้ใช้กันมาจนความหมายเดิมหายไปเช่นคำว่ากรรมนี่หายไปแล้วความหมายเดิมนี่เป็นคำว่าการกระทาเท่านั้นเองไม่ได้เป็นบาปหรือเป็นบุญ เป็นกรรมก็คือแปลว่าการกระทําการกระทําก็มีสามทางทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมไม่ได้หมายคำว่าบาปแต่เรามักจะใช้คําว่ากรรมแทนคําว่าบาปเป็นบุญเป็นกรรมอันนี้ครเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจเวลาพูดเนี่ยเขาหมายถึงคําไหนกันแน่แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคําเดิมคำหมายเดิมเราอาจจะงงได้ แลเราต้องพยายามศึกษาว่าคําแต่ละคํานี้มันมีความหลายความหมายด้วยกันคาํควาว่าอธิษฐานนี่มันก็มีหลายความหมายของญาติโยมก็ความหมายหนึ่งของพระก็ความหมายหนึ่งพูดไปแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องความหมายของโยมก็อธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้คํามหมายของพระ ก, ก็คือให้ตั้งใจทําเหตุที่จะทําให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้มันต่างกัน อยากได้นิพานไม่ให้จุดทูกเทียนแล้วก็ขอให้ไปได้ไปถึงพระ น, นิพานก็ขอจนวันตายก็ไปไม่ถึงอยากจะไปพระ น, นิพานก็ต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาเข้าใจไหมอพอแล้วนะีวันนี้พอแล้วพอ ไ, ไม่ต้องแล้วไม่ต้องถามแล้วพอแล้วอ ะ, อะแค่นี้เียว่าสมควรแก่เวลาอ่อน ให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด